สกังขากถาองเด็บสองว่าด้วยความสงสัย318ร้อย ส, ยสกวาทีความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาปริยุท ธ, ธานวิจิกิจฉาสังโยชตวิจิกิจฉานิวรของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาปริยุทธานวิจิกิจฉาสังโยตรวิจิกิจฉานิวรณของพระอรหันต์ไม่มีใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีหากวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาปริยุทธานวิจิกิจฉาสังโยตรวิจิกิจฉานิวรณของพระอรหันต์ไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่สกวาที ความสงสัยของปุุ้ชนมีอยู่วิจิกิจฉาวิจิกิจฉาปริยุทธฐานวิจิกิจฉาสังโยชน์วิจิกิจฉานิวรณ์ของผุุ้ชนนั้นก็มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่วิจิกิจฉาวิจิกิจฉาปริยุทธฐานวิจิกิจฉาสังโยชนวิจิกิจฉานิวรณ์ของพระอรหันต์นั้นมีอยู่ใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่วิจิกิจฉาวิจิกิจฉาปริยุทธานวิจิกิจฉาสังโยชนวิจจิิิกนวรของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีความสงสัยของปุถุชนมีอยู่วิจิกิจฉาวิจิกิจฉาปริยุทธานวิจิกิจฉาสังโยชนิ วิจิตรฉานิวังของปุถุชนนั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความสงสัยในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในศิกขาในส่วนเบื้องต้นในส่วนเบื้องปลายในส่วนเบื้องต้นและส่วนเบื้องปลายความสงสัยในปฏิจจสมุปบาท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 สกวาธีความสงสัยของพระอหรหันต์มีอยู่ความสงสัยในพระศาสดาในพระธรรมความสงสัยในป ฏ, ฏจิจจสมุปบาทที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีของพระอหรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมประวาทีใช่สกวาธีความสงสัยของปุถุชนมีอยู่ความสงสัยในพระศาสดาในพระธรรม ความสงสัยในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีของปุถุชนนั้นไม่มีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น3า9รสกวาทีความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีราคะพระอรหันต์ละได้แล้วตัดราชถอนโคน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 ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่สกวาธีความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาธีใช่สกวาธีโทสะโมหะอนตตปะพระอรหันต์ละได้แล้วเจริญมรรคเจริญโพชงเพื่อละราคะเพื่อละโทสะเพื่อละอนตตะปะพระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากราคะ โทสะโมหะทําให้แจ้งธรรมที่ควรทําให้แจ้งแล้วไม่ใช่หรือประวาติใช่สกวาทีหากพระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากปราคะโทสะโมหะทําให้แจ้งธรรมที่ควรทําให้แจ้งแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่สามยสกวาที ความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีความสงสัยของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนมีอยู่ความสงสัยของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นไม่มีสกวาตีความสงสัยของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีความสงสัยของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นมีอยู่ใช่ไหมประวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความสงสัยของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีความสงสัยของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีราคะพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนละได้แล้วแต่ความสงสัยของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหม ประวาตีใช่ศกวาตีราคะพระอรหันตผู้ฉลาดในธรรมอื่นละได้แล้วแต่ความสงสัยของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมประวาตีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาตีโทสะโมหะอ น, นตุตตะปะพระอรหันตผู้ฉลาดในธรรมของตนละได้แล้วเจริญมรรคเจริญโพชฌงเพื่อละราคะเพื่อละโทสะ เพื่อละโมหะเพื่อละอ น, นตุตตรปะพระอรหันตผู้ฉลาดในธรรมของตนเป็นผู้ปราศจากปราคะโทสะโมหะทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้วแต่ความสงสัยของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาทีพระอรหันตผู้ฉลาดในธรรมอื่นเป็นผู้ปราศจากปราคะโทสะโมหะ ทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งแล้วแต่ความสงสัยของพระอรหันนั้นยังมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีราคาพระอรหันผู้ฉลาดในธรรมอื่นละได้แล้วความสงสัยของพระอรหันนั้นไม่มีใช่ไหมปร ว, รวาทีใช่สกวาทีราคาพระอรหันผู้ฉลาดในธรรมของตนละได้แล้ว ความสงสัยของพระอาหารหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีโทสะโมหะอนตตะ ป, ปะพระอาหารหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นละได้แล้วเจริญมักเจริญโพชงเพื่อละราคะเพื่อละโทสะเพื่อละโมหะเพื่อละอนตตะ ป, ปะพระอาหารหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะ ทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้วความสงสัยของพระอาหารหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระอาหารหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนเป็นผู้ปราจจจากราคะโทสะทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้วความสงสัยของพระอาหารหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น32ย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 เมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรความสิ้นไปแห่งอาสวะจึงมีคือเมื่อบุคคลรู้เห็นอยู่ว่ารูปเป็นดังนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นดังนี้เมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้ความสิ้นไปแห่งอาสวะจึงมีมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าความสงสัยของพระอราหันต์มีอยู่ สกวาทีความสงสัยของพระอระหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าทิกศทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะของบุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่ไม่ได้กล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะของบุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรความสิ้นไปแห่งอาสวะจึงมี คือเมื่อบุคคลรู้เห็นอยู่ว่า น, ทนิทุกข์นิทุกกรณีโรธคามิหนีปฏิปทาเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้ความสิน้นปลายแห่งอาตวะจึงมีมีอยู่จริงไม่ใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่สกวาทีความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่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 สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าความงสงสัยของพระอระหันต์มีอยู่สกวาทีความงสงสัยของพระอระหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพราะสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพระโสดาบันละทรสามประการคือสกายทติฐิวิจิกิจฉาและสีลับพระตัปปรามาตได้อย่างสิ้นเชิงแล้ว พร้อมกับการบรรลุโสดาปติมัคพระโสดาบันก็พ้นจากอบายทั้งสและจะไม่ทําอภิฐานหมีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าความงสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่สกวาทีความงสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที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 อริยสาวกย่อมละสังโยชน์ได้สามประการคือสกายาติทิวิจิกิจฉาและศีลพัตปปามา m a มีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าความสงสัยของพระอระหันต์มีอยู่สกวาทีความสงสัยของพระอระหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายเมื่อใด้แล่ทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพรามนั้นย่อมกำจัดมาและเสนาเสียได้ดุดพระอาทิตย์อุทัยขึ้นสาดส่องท้องฟ้าให้สว่างสวัยฉะนั้นความสงสัยเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่มีในอัตภาพนี้ หรือในอัตภาพอื่นที่มีในความรู้ของตนหรือในความรู้ของผู้อื่นบุคคลผู้เพ่งพินิษ์มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์อยู่ยอมละความสงสัยเหล่านั้นทั้งหมดได้ทานที่ให้แล้วแก่บุคคลผู้ข้ามความสงสัยผู้หมดความสงสัยผู้ปราศจากความสงสัยทั้งที่คนทั้งหลายยังมีความสงสัยอยู่ย่อมมีผลมาก การประกาศธรรมในธรรมวินัยนี้เป็นเช่นนี้ไม่มีพระสาวกรครูปไหนจะสงสัยอะไรในการประกาศธรรมนั้นเลยพวกข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระชินพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นจอมคนทรงข้าโมฆะได้ทรงตัดความสงสัยได้แล้วมีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีใช่สกวาที ดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ประวาทีท่านไม่ยอมรับว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีพระอรหันต์พึงสงสัยในชื่อและโคดของสตรีและบุรุษในทางและมิใช่ทางในชื่อของหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้มิใช่หรือ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 ไม้และต้นไม้เจ้าป่าดังนั้นความสงสัยของพระอระหันต์จึงมีอยู่ใช่ไหมประวาทิใช่สกวาธิพระอระหันต์จะพึงสงสัยในโสดาปติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลใช่ไหมประวาทิไม่ควรกล่าวอย่างนั้นกังขากถาจบ 4. ประวิตารณกถาในวงเล็บ13ว่าโดยการรับคำแนะนำจากผู้อื่น 322- สกวาธีการรับคำแนะนำจากผู้อื่นของพระอรหันต์มีใช่ไหมประวาทีใช่สกวาธีพระอรหันต์ถูกผู้อื่นนำไปถูกผู้อื่นชักจูงไปอาศัยผู้อื่นเกาะผู้อื่นโง่เขาไม่ฉลาด ย่อมไม่รู้ไม่เห็นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ไม่ถูกผู้อื่นนําไปไม่ถูกผู้อื่นจูงไปไม่อาศัยผู้อื่นไม่เกาะผู้อื่นไม่โง่เขาฉลาดย่อมรู้ย่อมเห็นไม่ใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันต์ไม่ถูกผู้อื่นนําไปไม่ถูกผู้อื่นจูงไป ไม่อาศัยผู้อื่นไม่เกาะผู้อื่นไม่โง่เขาฉลาดย่อมรู้ย่อมเห็นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าการรับคําแนะนําจากผู้อื่นของพระอระหันต์มีอยู่สกวาทีการรับคําแนะนําจากผู้อื่นของปุถุชนมีอยู่และเขาถูกผู้อื่นนําไปถูกผู้อื่นชักจูงไปอาศัยผู้อื่นเกาะผู้อื่นอยู่ โง่เขลาไม่ฉลาดย่อมไม่รู้ไม่เห็นใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาทีการรับคําแนะนําจากผู้อื่นของพระอาหารหันต์มีอยู่และท่านถูกผู้อื่นนําไปถูกผู้อื่นชักจูงไปอาศัยผู้อื่นเกาะผู้อื่นโง่เขลาไม่ฉลาดย่อมไม่รู้ไม่เห็นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีการรับคำแนะนำจากผู้อื่นของพระอระหันต์มีอยู่และท่านไม่ถูกผู้อื่นนําไปไม่ถูกผู้อื่นชักจูงไปอาศัยผู้อื่นไม่เกาะผู้อื่นไม่โง่เขาฉลาดย่อมรู้ย่อมเห็นใช่ไหมประวาธีใช่สกวาธีการรับคำแนะนำจากผู้อื่นของปุถุชนมีและเขาไม่ถูกผู้อื่นนําไป ไม่ถูกผู้อื่นชักจูงไปไม่อาศัยผู้อื่นไม่เกาะผู้อื่นไม่โง่เขาฉลาดย่อมรู้ย่อมเห็นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการรับคำแนะนำจากผู้อื่นของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการรับคำแนะนำจากผู้อื่นในเรื่องพระศาสดา ในเรื่องพระธรรมในเรื่องพระสงฆ์ในศิกขาในส่วนเบื้องต้นในส่วนเบื้องปลายทั้งในส่วนเบื้องต้นและส่วนเบื้องปลายในปฏิจจสมุปาทที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีของพระอาหารหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาติไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีการรับคำแนะนำจากผู้อื่นในพระาศาสดาในพระธรรมในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีของพระอระหันต์ไม่มีใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีหากการรับคำแนะนำจากผู้อื่นในพระาศาสดาในพระธรรมในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมี ของพระอระหันต์ไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าการรับคำแนะนำจากผู้อื่นของพระอระหันต์มีส ก, กวาทีการรับคำแนะนำจากผู้อื่นของปุถุชนมีการรับคำแนะนำจากผู้อื่นในพระศาสดาในพระธรรมในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าพระธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีของปุถุชนนั้นมีใช่ไหมประวาทิใช่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 ผู้อื่นในพระศาสดาในพระธรรมในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีของพระอาหารหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีการรับคําแนะนําจากผู้อื่นของปุถุชนมีอยู่และการรับคําแนะนําจากผู้อื่นในพระศาสดาในพระธรม ร, ะ ร, ะธรมในปฏิจจสมุปบาทาที่ว่า เพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีของปุถุชนนั้นไม่มีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น3 2 3สกวาทีการรับคำแนะนำจากผู้อื่นของพระอรหรันต์มีใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีราคะพระอรหันต์ละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนตัดต้นตาลที่ถูกตัด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 การรับคําแนะนําจากผู้อื่นของพระอรหันต์มีสกวาทีการรับคําแนะนําจากผู้อื่นของพระอรหันต์มีใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีโทสะโมหะอนตุตตะปะพระอรหันต์ละได้แล้วตัดปรากถอนโคลเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดปรากรถอนโคลไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่ ม, มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ จเจริญมักจเจริญโพชงเพื่อละราคะเพื่อละโทสะเพื่อละอ น, นตุตตะปะมิเชื่หรือสกวาธีพระอระหันต์เป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทําให้แจ้งธรรมที่ควรทําให้แจ้งแล้วมิเชื่หรือประวาทีใช่สกวาทีหากพระอระหันต์เป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะ ทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว right ่าการรับคําแนะนําจากผู้อื่นของพระอรหันต์มี324รสิบสีกวาทีการรับคําแนะนําจากผู้อื่นของพระอรหันต์มีใช่ไหมประวาตีการรับคําแนะนําจากผู้อื่นของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนมีแต่การรับคําแนะนําจากผู้อื่นของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นไม่มี สกวาทีการรับคําแนะนําจากผู้อื่นของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนมีใช่ไหมประวัทีใช่สกวาธีการรับคําแนะนําจากผู้อื่นของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นมีใช่ไหมประวัทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการรับคําแนะนําจากผู้อื่นของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นไม่มีใช่ไหมประวัทีใช่ สกวาทีการรับคำแนะนำจากผู Club, de ouais ้อื่นของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนไม่มีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีราคะพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนละได้แล้วแต่การรับคำแนะนำจากผู้อื่นของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น ละราคะได้แล้วแต่การรับคำแนะนำจากผู้อื่นของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโทสะโมหะอนตตปปะพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนละได้แล้วเจริญมักเจริญโพชงเพื่อละราคะเพื่อละโทสะเพื่อละอนตตปปะ เป็นผู้ปราศจากปราคะโทสะโมหะทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้วแต่การรับคำแนะนำจากผู้อื่นของพระอาราหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมประวาทิใช่ส ก, กาวาตีพระอรหรันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นเป็นผู้ปราศจากปราคะโทสะโมหะทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้ว แต่การรับคำแนะนำจากผู้อื่นของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีราคาพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นละได้แล้วการรับคำแนะนำจากผู้อื่นของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมประวัทีใช่สกวาทีราคาพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนละได้แล้ว การรับคําแนะนําจากผู้อื่นของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโทสะโมหะอนตุตตะปะพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นละได้แล้วเจริญมักเจริญโพชงเพื่อละราคะเพื่อละโทสะเพื่อละอนตุตตะปะเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทําให้แจ้งธรรมที่ควรทําให้แจ้งแล้ว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 3ามยยี่ส ก, กวาทีการรับคําแนะนําจากผู้อื่นของพระอาหารหันต์มีใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษศทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาตะวะของบุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่ไม่ได้กล่าวความสิ้นไปแห่งอาตะวะของบุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นเมื่อบุคคลรู้ เห็นอย่างไรความสิ้นไปแห่งอาสวะจึงมีคือเมื่อบุคคลรู้เห็นอยู่ว่ารูปเป็นดังนี้ความดับแห่งบิญยาณเป็นดังนี้เมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้ความสิ้นไปแห่งอาสวะจึงมีมีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีใช่ส ก, กวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าการรับคําแนะนําจากผู้อื่นของพระอระหันต์มี สกวาทีการรับคำแนะนำจากผู้อื่นของพระอระหันต์มีใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุ ท, ทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาตวะของบุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่มิได้กล่าวความสิ้นไปแห่งอาตวะของบุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไร ความสิ้นไปแห่งอาสวะจึงมีคือเมื่อบุคคลรู้เห็นอยู่ว่านี้ทุกข์นี้ทุกขคณิโรธคาไมินีปฏิปทาเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้ความสิ้นไปแห่งอาสวะจึงมีมีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าการรับคําแนะนําจากผู้อื่นของพระอรหันต์มี สกวาธีการรับคำแนะนำจากผู้อื่นของพระอาหารหันต์มีใช่ไหมประวาทีใช่สกวาธีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าภิกษุททั้งหลายบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายกำหนดไม่ละสิ่งทั้งปวงเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์แต่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 สกวาธีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพระโสดาบันละธรสามประการคือส ก, กายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีลับพระตปรามาศได้อย่างสิ้นเชิงแล้วพร้อมกับการบรรลุโสดาปฏิมัิพระโสดาบันก็พ้นจากอบายทั้งสและจะไม่ทำอภิฐานหกมีอยู่จริงไม่ใช่หรือประวาธีใช่ กวาีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าการรับคาแนะนาจากผู้อื่นของพระอรหันต์มีสกวาทีการรับคำแนะนำจากผู้อื่นของพระอระหรรรนนอันต์มีใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระสูตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิกษุทั้งหลายในสมัยที่ธรรมจักรตุที่ปราศจากธุรีปราศจากมนทิน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 ดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าการรับคำแนะนำจากผู้อื่นของพระอรหันต์มีสกวาทีการรับคาแนะนาจากผู้อื่นของพระอรหรันต์มีใช่ไหมประวัทีใช่สกวาธีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าโทตกะเราไม่อาจปลดเปลื้องใครๆผู้มีความสงสัยในโลกได้ แต่เธอเมื่อรู้ทั่วถึงธรรมอันประเสริฐก็จะพึงข้ามโอคะได้เองด้วยประการชนี้มีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าการรับคําแนะนําจากผู้อื่นของพระอรหรันต์มีประวาทีท่านไม่ยอมรับว่าการรับคําแนะนําจากผู้อื่นของพระอรหรันต์มีใช่ไหม ศักวาทีใช่ประวาทีผู้อื่นจะพึงแนะนํานามและโคตของสตรีบุรุษทางและมิใช่ทางชื่อของหญ้าไมา้และต้นไม้เจ้าป่าแก่พระอรหันได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีหากผู้อื่นจะพึงแนะนําชื่อและโคตของสตรีและบุรุษทางและมิใช่ทางชื่อของหญ้า ไม้และต้นไม้เจ้าป่าแก่พระอรหันต์ได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าการรับคําแนะนําจากผู้อื่นของพระอรหันต์มีส ก, กวาทีผู้อื่นจะพึงแนะนําชื่อและโคดของสตรีและบุรุษทางและมิใช่ทางชื่อของหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าแก่พระอรหันต์ได้ดังนั้น การรับคําแนะนําจากผู้อื่นของพระอรหันต์จึงมีใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาทีผู้อื่นจะพึงแนะนําโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตตผลแก่พระอรหันต์ได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นพระวิตารณกถาจบ